บททีหก <Book> <67. S 3> สิบเจ็ดเฉชชมเสพตินพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองเวี บ, บินีอีรวรลเจดแว่นตาอักกเน เขาลืมแว่นตาของเขาย i s เ a m i r š โชเซวออาคินุเขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนคูร์กิโยอาคินาฬิกาเลยครูดส์นาฬิกาของเขาเสียโยเลยครูดส์สุเ นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง Lecrudis Cabo a n อ i e n o s นหนังสือเดินทางปา s a <Pass es>. s เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหายยิสปาเ e ติซาวปาส s yes, a แล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหน Curgio p a s าส พวกเขาของพวกเขาเย่ยูสอยู่เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบไว k ก i ์นาการเลอรสตุสาวติวแต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้วเบเชเก e ตนยูติเวยคุณ ของคุณยูสุการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์กูเก็บบูบูเกเสซิยูสุเกลุนิปูเนมิเลร์ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์คุณยูสุจมูนนะพูเนมิลเลอร์คุณ ของคุณยูสุยูสุการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธโคเคบูโวเก็บเสกิสยูสุเคโลนีพูนิชมิดสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณ oni, สมิธคุรยูสุวีรัสพูนิชมิด